และนั่นก็เป็นพระสูตรจากพระมาร์ชชาคาวโรวัดนาปาพงลำลูกาคลองสิ น, นะคะรายการ ส, สัมมนาสนทนาต้องการที่จะให้เวลาที่ผ่านไปนั้นคุ้มค่าที่สุดที่ท่านเปิดฟังเราก็จึงได้มอบให้ในส่วนของการปฏิบัติ ด, ด้วยและช่วงเทศกาลพิเศษอย่างเข้าพรรษาเราก็มีเวลาพิเศษเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงประวัติของพระาศาสดาของเราโดยละเอียดและคาสอนของพระาศาสดาที่สาคัญยิ่ง คืออริยสัจสี่โดยละเอียดอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นความปรารถนาดีจากพระพบูลอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังกันต่อแล้วค่ะนวัสนการกับท่านคะใช่อาจรย์พรค่ะก็มาถึงวันนี้มีผู้ฟังท่านหนึ่งคือคุณอำนวยนะคะคุณอำนวยอยู่ที่ TRC ก็บอกว่าได้ฟังคําตอบที่ถามมาวันก่อนนั้นก็ชื่นชมในแง่ที่ ได้รับความพึงพอใจที่ได้คำตอบเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อหาการดับทุกข์ที่เหมาะสมกับตนเองภายในสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมปัจจุบันวงเล็บมาด้วยว่าระดับโลกียะก็ขอบคุณคุณดําเนินลายไม้เช่นเดียวกันนะคะและดีใจที่เราสามารถทําหน้าที่ให้ท่านสบายใจได้ด้วยธรรมค่ะในเรื่องของการมาศึกษาคาสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราใช้พุทธวจนะแล้วก็ถ้า ท่านผู้ฟังมีคําถามมาพูดคุยการคุณศาสนีมีประเด็นอะไรเนี่ยจะผู้ทุกาบอกว่าจะสามารถจะเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดอยู่ได้แล้วก็จะสามารถทําให้ความสงสัยต่างๆเนี่ยบรรเทาลงไปได้ค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดกันต่อนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดแม้กระทั่งเป็นเรื่องประวัติเ พ, พื่อผู้ธเจ้าเนี่ยก็ถือว่ามีธรรมที่ได้รับการเปิดขึ้นมาไม่ได้ฟังด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่วันนี้ก็พูดถึงเรื่องของคําสอนของพูทุกาว่ามีคุณสมบัติอย่างไร ลักษณะการแสดงทําต่อเมื่อวานเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องดื่มมันสุดยอดนะเขาเรียกว่าน้ําดื่มมันทะนะเขาเรียกว่าเครื่องดื่มที่ชื่อว่ามันทะเราก็ในในธรรมะที่สุดยอดขนาดนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยทำความเพียรชนิดที่เรียกว่าไม่ถอยกลับทําความเพียรแบบไม่ถอยกลับทําความเพียรแบบไม่ถอยกลับก็คือว่าถ้ายังไม่สําเร็จประโยชน์ ในสิ่งสิ่งนั้นก็จะไม่เลิกคือไม่เลิกกลางคันบางกันเถอะทาจนกว่า จ, จะสําเร็จบางกันเถอะโดยมีบทที่พระเจ้าก็ได้เคยใช้พูดอยู่ตอนที่อยู่ใต้ใ ต, ต้นไม้โพนะนั่นก็คือที่บอกว่าหนังเอินกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะแห้งไปก็ตามทีาประโยชน์อันบุคคลจะบึงบรลลุได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันแต่าหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วก็จะไม่หยุดความเพียรนี้เลย ซึ่งตรงเนี้ยคาพูดตรงเนี้ยนะอาตมามาลองวิเคราะห์ดูว่ า, ลาและแล้วท่านบอกว่าเป็นคําพูดที่เรียกว่าจะไม่ถอนการนั่งคูบันหลังใช่ไหมที่อยู่ใต้ต้นไม้โพธิ์แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์กันดีๆแล้วเนี่ยจะพบว่าบทเพียัญชนะที่พูดถึงว่าไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งเนี้ยไม่มีอยู่ในบทนี้ไม่มีอยู่ในประโยคนี้แต่ว่าไปปรากฏอยู่ในที่อื่นคุณโยมติวมีมีครั้งหนึ่งที่ปากโคสิงสารวัน ที่พระพุทธเจ้ า, าเคยบอกกับภาษาริบุตรว่าเอ้ป่าแบบนี้ใครควรจะมาอยู่อาศัยถึงจะเรียกว่างดงามพระพุทธเจ้ า, าก็เลยพูดถึงบุคคลที่บินถบาตมาแล้วกลับมาแล้ ว, ลวนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงนารงสติเฉพาะหน้าเสร็จละถ้าจิตของฉันยังไม่หมดจากกิเลสเนี่ยจะไม่ถอนการนั่งคู่บัลังก็เพียงนี้ในฉบับเปี่ยนขณะนี้แสดงว่าที่ปา่าคูสิงสารวันเนี่ยก็คือไม่มีการลุกขึ้นหล่ะวางกันเถอะ ในขณะที่ใต้ต้นไม้โพเป็นยังไงใต้ต้นไม้โพก็คือว่าจะไม่เลิกทําความเพียร น, นี้ซึ่งความเพียรตรงนี้เป็นความเพียรทางจิตไงคุณยมติว ค, ความเพียรทางจิตในการที่จะเอาอากุศลออกจากจิตให้หมดใช่ไหมไม่เหลือความไม่เหลือกิเลสอยู่เลยฉันจะเป็นพระอารหันต์และฉันจะเป็นพระพุทธเจ้า ล, ละแล้วก็ความเพียรในการที่จะเอากุศลธรรมเข้าไปในจิตซึ่งจะทําให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าล่ะในตอนนั้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางร่างกายล่ะ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเสริมให้ได้ทีนี้เรื่องของพุทธวัจจะมีอีกก็คือว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยโอ้โหมีลักษณะที่เรียกว่าครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดเลยเคือหมายความว่าคุณเลือกเอาเลยจะเอาแบบไหนนะมีตั้งแต่มรรคผลนิพพานสวรรค์สวรรค์ขั้นต่างๆนะมรรคผลนิพพานขั้นไหนๆก็มีเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ย สอนหมดตั้งแต่ชาวบ้านที่ยังต้องหาเช้ากินข้าใช่ไหมลูกเศรษฐีลูกข้าราชการทาตัวยังไงวิธีการปฏิบัติตัวตับพ่อแม่สามีภรรยาปฏิบัติตัวกันยังไงจนถึงพระสงฆ์ผู้เพียนเผากิเลสไม่เอาแล้วบ้านเรือนนะมาปฏิบัติก็ทํำยังไงคือสอนหมดมีทุกหมวดทุกข้อความเนื้อหาเพราะฉะนั้น อ, อั น, นิี้สงของการปฏิบัตอิอันนี้สงของธรรมะนะที่พระเจ้าเรียกว่า ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยที่เราส่วนใหญ่จะใช้คําว่าสวักขาต่าเนี่ยคือทําอันเรากล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยก็ทําให้เป็นพระราญได้เป็นผลอันดับที่หนึงนอกจากนั้นยังทําให้เป็นอนาคามีขั้นต่างๆเป็นโสดาส ก, กิทาอย่างเงี้ยนะหรืออย่างน้อยที่สุดนะก็เป็นใบเพื่อสวรรค์อย่างนี้แล้วก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกสอนเนี่ยโอ้มีน้อยมากมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระองค์รู้ นะมีครั้งหนึ่งเคยไปอยู่ใต้ต้นไม้สีสปาแล้ก็เป็นลักษณะคล้ายกับต้นประดู่เมืองไทยนี่แหละนะแล้วก็มีใบไม้ร่วงอยู่สอาใบก็หยิบขึ้นมาประมาณสักกํามือหนึ่ง4ี่ใบนี่แหละแล้วก็เปรียบเทียบกับต้นใบไม้ของต้นสีสปาที่อยู่บนต้นทั้งหมดแล้ก็เปรียบเทียบให้พิสูจน์ทั้งหลายฟังว่าไอ้ความรู้ที่เรารู้ทั้งหมดเนี่ยเปรียบเหมือนกับต้นสีสปาใบไม้ที่อย่างอยู่บนต้นทั้งหมด ส่วนที่เรานํามาบอกสอนกล่าวสอนเนี่ยคือส่วนที่อยู่ในกํามือเพราะฉนั้นส่วนที่เอามาบอกสอนเนี่ยก็เรียกว่าเข้มข้นแล้วเลือกมาเฉพาะเนื้อเนื้อเน้นๆเต็มเตมอย่างนี้แล้วก็ได้บอกว่านับตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้สัมมาสัมพุทฺธญาณจนถึงราตรีที่ปฏินญญาด้วยอนุปาน์ที่เสศัตรย์ยิพผานธาตุเนี่ยก็คําพูดของพระองค์เนี่ยสอดคล้องเป็นอันเดียวกันหมด นะถ้อยคานั้นที่คําพูดใดๆก็ตามที่พระมสอนแสดงออกเนี่ยเข้ากันได้โดยประการเดียวทังสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยแล้วก็เหตุที่ เ, เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าความที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกนะแล้วก็กหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในการพูดแล้วก็ยังกล่าวด้วยว่าการสอนของพระองค์เนี่ยนะปกติเนี่ยพระองค์จะมีวิวาจาที่ไม่กล่าวขัดแย้งกับใคร อย่าเช่น ว, ว่าไอ้ที่ไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆเนี่ยนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้เงินใครว่าอะไรเราก็โอเคกับเขาหมดเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นลองดูสมนวนของลองฟังสมนวนของผู้เชา่าดูก็จะพบว่าไอ้ที่ไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลกเนี่ยหมายถึงอะไรนั่นก็หมายความว่าอะไรอะไรที่บัณฑิตในโลกเขาสมมุติว่าไม่มีเนี่ยเราก็กล่าวว่าไม่มีอะไรที่ว่าไม่มีนี่คืออะไรนั่นก็คือว่าสิ่งที่มันที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการแปรเปลีนเลยเนี่ย ไม่มนะีพูดอย่างนี้ <Okay. S 1> แล้วก็อะไรที่เขาสมมุติว่ามีในโลกเนี่ยเราก็กล่าวว่ามีนั่นก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงในโลกเนี่ยมีพระองค์ก็กล่าวว่ามีเหมือนกันลักษณะนี้นะ <Okay. S 1> ซึ่งฟังดูแล้วเราก็จะว่าเอา้านี่มันก็คําสอนของพระองค์นี่นาะค่ะ <Okay. S 1> ก็คือสอดคล้องกันมางั้นเถอะนี่คือใน เ, อเรื่องของพุทธประวัติยังมีอีกนิด น, นึงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย จะสอนเรื่องที่เกี่ยวกับความดับทุกข์นะเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์เกื้อและสัตยีทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะสอนอพระพุทธเจ้าในสมัยอดีตปัจจุบันอนาคตก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็คําสอนของพุทธเจ้าโดยส่วนมากเนี่ยจะมีส่วนไปในการจําแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงนั่นะคือขันธ์ทั้ง5้าเนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็ขันธ์ทั้ง5้าเนี่ยเป็นอนัตตานะจะสอนอย่างนี้บ่อยมากเพราะฉนั้นเรื่องที่สอนบ่อยที่เราได้เคยทํา วิจัยออกมาเนี่ยเราพบว่าเรื่องที่ไม่เที่ยงเรื่องความเป็นอนัตตาเนี่ยสอนบ่อยมากขันทั้งห้านะถัดมาก็จะเป็นเรื่องเรื่องของความเพลินให้รักความเพลินนี่คือพุทธประวัติ อ, อยู่ในส่วนของลักษณะการแสดงธรรมของพระ พ, ระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนทุกกลุ่มเลยมีความสามารถมากที่จะจำแนกว่ากลุ่มไหนต้องพูดแบบไหน แล้วก็ธรรมะที่แสดงนี่สุดยอดแล้วที่เด็ดเือ ใ, ใบไม้ในกำมือแล้วไม่กล่าวคําขัดแย้งกับใครในโลกนี้อืสอนมากคือเรื่องไม่เที่ยงเรื่องที่สองละนันทิค่ะใชนะ่ในเรื่องของอริยสัจสียังมีต่ออีกค่ะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของเหตุให้เกิดแห่งความทุกข์ว่าเอ้ยเจ้าตัณหาเนี่ยมันทําให้สิ่งต่า ง, ต, างต่างที่ตัณหาไปติดเนี่ยมันเป็นความทุกข์ได้ยังไงจะมาเราก็พูดถึงสรุปถึงเรื่องความเพลินไปอันหนึง่ง ทีนี้นอกจากความเพลินที่จิตเราเข้าไปเพลินในอารมณ์นั้นเนี่ยนะเพราะว่าจิตยังมีตัณหาใช่ไหมจิตจึงไปเพลินในสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์ก็ตามเป็นคนก็ตามเป็นสิ่งของก็ตามมันเอาได้หมดทีนี้ไอ้ความเพลินที่เข้าไปทํางานตรงนี้เนี่ยมันก็อาศัยเกิดขึ้นจากการที่เรายังมีผัสสะถ้าเรายังมีผัสสะมีการกระทบอยู่มันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้ทันทีคือหมายความว่าเหตุของความทุกข์ก็จะไปเข้าติดได้ทันที สิ่งที่มากระทบกับเราก็จะกลายเป็นความทุกข์ทันทีค่ะเข้าใจง่ายๆก็จะจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อการทํางานของจิตเราเป็นอย่างงี้นะคะแล้วก็เลยเข้าใจได้เลยว่าไอ้ทุกอย่างที่ก่อนที่เราจะรู้ที่จะหยุดไม่ให้ผัดสะมันทําให้เราเกิดความทุกข์เนี่ย ม, มันทําให้เราทุกข์ตลอดเวลาเลย<ช>ลตาหูจมูกลิ้นกายใจเราทํางานหมดอืมอทีนี้พอระหว่างที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราทํางานหมดหลับมันก็ยังทํางานนะ เพราะนั้นเพาะนั้นถ้าจิตเราเนี่ยยังมีการปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการปรุงแต่งให้เกิดกรรมอยู่ไปเรื่อยๆไงเพราะนั้นจิตจึงเป็นจิตที่เรียกว่าท่องเที่ยวไปตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งเราตื่นอยู่แม้กระทั่งที่เรายังไม่จากโลกนี้ไปเดี๋ยวไปเกาะอารมณ์นี้เดี๋ยวไปเกาะอารมณ์อื่นนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับลิงเนี่ยเที่ยวจับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งอื่นจับกิ่งนั้นอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปนะจิตเราเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการที่ ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้เนี่ยคือการที่ก้าวลงสู่พบหลักการที่ไปทเที่ยวเกาะเกี่ยวอารมณ์ด้วยอำนาจความเพลินมางนั่นเถอะค่ะทีนี้ไอ้เรื่องของความตัณหาเนี่ยก็ยังมีในอาหารนะผู้เช่าได้กล่าวถึงอาหารสีจ่จำพวกคืออาหารที่เป็นคําข้าวนะอาหารที่เป็นผัดสะแล้วก็อาหารที่เป็นเรื่องของการปรุงแต่งกรรมนะคือเมื่อเราสันเจตนาอาหารแล้วก็วิ ญ, ญญาณอาหาร ซึ่งอาหารทั้งหมดเนี่ยที่เรายังยังยังเขรียกว่าจิตมันยังไปเกิดไปเที่ยวไปเกิดไปตายอยู่เนี่ยนะมีการเกาะเกี่ยวอารมณ์เนี่ยก็เพราะว่าจิตยังมีอาหารตรงนี้อย่างร่างกายคนเรามันโตขึ้นมาได้กลายเป็นคนตัวใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะมีอาหารคือคำข้าวใช่ไหมจิตก็เหมือนกันที่มันจะเกาะกิ่งนี้ไปเกาะกิ่งอื่นได้เนี่ยเพราะมันมีอาหารอาหารตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่สี่อย่างคืออาหารคือคำข้าวด้วยอันหนึ่ง คือหมายความว่าถ้าจิตเรามีอารมณ์เข้าไปเกาะเกี่ยวกับอาหารที่เป็นคำคำใส่ปากนี่นะจิตเราก็จะไปต่อได้นอกจากนี้ยังจิตนี้ยังกินอาหารอย่างอื่นด้วยนั่นคือผัสสะเพราะฉนั้นผัสสะเนี่ยทำให้จิตเนี่ยเป็นอาหารให้จิตไงจากนั้นก็ยังมีมโนสตตันเจตนาอาหารคือการที่เราจะต้องไปปรุงแต่งนะคือมันคูณ2คุณคุณคุณโยมติวเข้าใจ่ไหมคือผัสสะแล้วจิตก็กินอาหารอันนี้นะเวลาจิตปรุงแต่งออกมาเนี่ยกลายเป็น ความคิดทางใจความคิดพูดทางวาจาหรือออกมาทางกา ย, ยจริงก็ยังไปเกาะอันนั้นอีกโอ้โหยากมากแล้วอย่างที่สามก็ยังมีวิญญาณคือตัวของมันอีกในการที่เข้าไปรับรนะู้มีทั้งหมดสี่อย่างเลยแล้วก็ยังได้ตรัสถึงเปรียบกับกองไฟกองใหญ่นะถ้าเผื่อว่ามีกองไฟกองหนึ่งนะมี เชือเช้อไฟอยู่คือมีมูลโคแห้งบ้างมีใบไม้แห้งแล้วก็ไม้แห้งต่างเนี่ยมาเป็นเชื้อให้กองไฟกองไฟนี้ก็จะไม่มีทางดับได้เช่นเดียวกันกันกบจิตถ้าจิตจิตเนี่ยยังมีตัณหาเป็นเชืออ้อแห่งการเกิดนะก็ไม่มีทางที่จิตนั้นจะพ้นจากความทุกไปได้เนะปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่หจิตนั้นหมดตัณหานั่นก็คือหมดเชื้อดับไปไม่มีการเกิดไม่มีความทุก เหมือนกับกองไฟที่หมดเชื้อแล้วก็ดับไปนะฮะไม่ได้ว่าเปลวไฟมันไปทางไหนเหนือใต้ออกตกอย่างนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ตัณหาเนี่ย เ, เป็นลักษณะที่ว่าเป็นเชื้อแห่งการเกิดนะพระเจ้าก็เคยคือไม่มีพรามณ์รูปหนึ่งที่ชื่อว่าวัชฉาเนี่ยเคยไปถามพระพรุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าร่างกายนี้แตกดับไปแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหน นายผู้เช่าบก็เกิดก็ไม่พูดอย่างนั้นไม่ถูกหรอกเขาก็เลยถามต่อว่าเอองั้นไม่เกิดเหรอจะว่าไม่เกิดก็ไม่ถูกนะวแล้วเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างอะไรกันแน่อย่างเงี้ยนะคะผู้เช้าก็เลยเปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมเหมือนกับกองไฟนั่นแหละนะว่าถ้าหมดเชื้อดับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะไปทางเหนือใต้ออกหรือตกไปถึงเปลวไฟนั้นน่ะนะเหมือนกันจิตของพระรานฎรเนี่ยถ้า ตั้งแต่ตอนที่บรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจิตที่จะไปเกิดคือเชื้อที่จะไปเกิดเนี่ยดับไปแล้วออแต่ว่าร่างกายนี้ยังคงอยู่เหมือนกับเมล็ดข้าวที่เขาไปผ่าน gmo หรือว่าผ่านการฉายแสงอะน ะ, ะเชื้อที่จะไปเกิดตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วมีแต่ตัวตั ว, ต, วตัวเมล็ดมันมันก็เปรียบเหมือนกับร่างกายนี้ยังคงอยู่แต่ว่าไปลงดินไม่ได้แล้วแค่นั้นเองนี่คือเรื่องของอาเริยสัตว์ในวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ ต้องตัดที่เชือช้อจะไม่มีการเกิดอีกไม่มีการเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ <c oughs> ค่ะก็สะสมความรู้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะพระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องใหญ่ที่จะให้พวกเรารู้และชาวพุทธเองควรรู้ก็คือเรื่องอริยสัจสี่นี่ยหละค่ะส่วนพุทธประวัติจากพระโอส์ก็เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องราวของพระาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ที่เรายกให้ท่านเป็นาศาสดาก็จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่เราควรจะเรียนรู้เรื่องของพระพุทธองค์แล้วพุทธประวัติในแนวที่ท่านเพบูลนํามาเสนอเนี่ยต้องบอกว่าร่ำคามากเพราะว่ามีประเด็นธทมทั้งนั้นเลยนะคะใช่ไม่ได้เล่าเพียงแค่ค่ ะ, ค ะ, ะเพราะนั่นเกิมาจึงคิดว่าแหมถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยนะอดทนฟังไปใคร่ครว่ตามไปนะเห็นแง่มุมต่างๆมีคําถามอะไรส่งมาถามนี่จะเป็นการดีมากใช่ค่ ะ, ะเพราะก็กําลังตั้งคําถามกันกับท่านเพบูลว่าระยะนี้ไม่ค่อยมีคําถามไปเลยเข้าใจว่า อาจจะเราตอบคำถามน้อยแล้วท่านก็ฟังกันไปเพลินๆอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีข้อสงสัยถามมาเถอะนะคะมันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะคะเพราะคำถามเนี่ยเดิยฉันเชื่อว่าคำถามของท่านอาจจะอยู่ในใจคำถามของคนอื่นก็ได้ที่โอยถามตรงกับใจเขาเลยเท่ากับช่วยกันสร้างกุศลให้เกิดขึ้นด้วยวันนี้น้มสการขอพระคุณท่านพบูลนะคะจะเปพานการท่านฟังที่เคารพคะนั่นคือพระพบูลอภิปุโ น, โนนะคะ เช่นเดียวกันกับพระภิกษุอีกรูปนก็คือพระมาชาคาวโรที่ทำงานในการที่จะประกาศธรรมที่พระศาสดาสอนมาแล้วให้แผ่เผยสารมากยิ่งขึ้นเป็นการสืบทอดคำสอนนั้นยิ่งใหญ่เอาไว้อะค่ะผ่านทางรายการนี้นะคะสัมมีสนทนารายการหนึ่งอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 มรอยหวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยก็ ส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นอะไรไปที่ท่านเพยบูลนะคะเพียวธมาด d com slash และส่งมาที่นี่ด้วยก็ได้คือสถานีวิทยุครอบครัวข่าว 02-269-0006 เรามีหนังสือพุทธวจนะอภินันทนาการจากวัดนาป่าพงโดยพระอาจารย์ครึกฤทธิเ์เนี่ยวันละ3ามเล่มค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพุทธสวัสดีค่ะ